แสดงพท่านพุทธศาสนิกชนเพื่อมีจิตฝ่ยดุใส่ากุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28มกราคมพุทธศักราช2550วันนี้เราก็มาวัดเพื่อมาขอตอบคุณงามความดีเพื่อสร้างความ เ, มเย็นเยนเป็นสุข ความสร้างความเจริญก้าวหน้ากันจัดความทุกข์กาจัดภัยอันตรายทั้งหลายไม่ให้เข้ามาเหยียบย่ำทำลายที่ิีจิตใจของเราเพราะเราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทร ง, ง, งสอนว่าทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่อผลคือความดีความเชื่อเป็นผล ที่เกิดจากการกระทาของเราเราจะดีเราจะชัอ่อยู่ที่ตัวเราไม่มีใครสามารถมาเสกมาเป่าให้เราดีให้เราเชื่อได้ถ้าคนอื่นสามารถเสกเป่าให้เราดีให้เราชื่อได้แล้วไม่มีใครจะมีความสามารถเท่ากับพระพุทธเจ้าเท่าองคเจดียให้พวกเรา ไดกายเป็นพาาาระอรหันต์การไาให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องมาทุกกับการเกิดการแก่การเจ็บการตายการยืนร่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลยเกิด แ, แต่ละท้งนั้นจะต้องมาเจอกับความทุกข์เจอกับเรื่องราวต่างๆที่เราไม่ป่าถนากันมากมายก่ายกองถ้าอระพเจ้ามีความ มีอำนาจเหนือหลักแห่งกรรมไปได้เพราะองค์ก็จะสามารถเสรเป่าให้พวกเราได้บรรลุถึงพระนิพพานกันโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่เนื่องจากหลักของกรรมนี้เป็นหลักที่อยู่เนื้อความสามารถของคนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพระอริยเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าพระ อ, อรหันตสาวกทั้งหลายก็ดี เลยตุกิจชนธรรมดาอย่างพวกเราทั้งหลายก็ดีเราไม่สามารถไปหักห้ามหลักของกรรมได้หลักของกรรมอยู่ที่เหตุและผลนั่นเองเหตุก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันนี้แล้วกระส่งผลให้เกิดขึ้นตามมาคือความสุขความจเจริญ หรือความทุกข์ความเสื่อมเสียอย่างนี้เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกันต่อเนื่องกันไม่มีใครที่จะมาหักข้ามหรือยกเว้นกดนี้ได้ทุกคนจะต้องตกอยู่ในกฎนี้ด้วยกันเมืนอกจา่นั้นทางเดียวที่พระพุทธเจ้าจะช่วยหรือพวกเราได้ให้เราได้ฝึกได้เจริญก็คือการสั่งสอน ว่าเหตุที่จะทําให้เกิดความสุขความเจริญ น, นั้นเป็นมาได้อย่างไรเหตุที่จะทํามาสร่งความทุกขความเสื่อมเสียนั้นคืออะไร <Yeah. S 1> เมื่อพวกเรารู้แล้วเราจะได้ทำแต่เหตุที่ดีที่จะนํามาสร่งความเจริญก้าวหน้าสร่งความนุ่มเย็นเป็นสุด <c oughs> แล้วเราก็จะได้ละเว้นเหตุที่จะสร้างความทุกข์สร้างความเสื่อมเสียให้กับเรามีอยู่เท่นี้พระพุทธเจ้าช่วยเราได้เท่านี้เองคือสอนเราชี้บอกเราชี้ทางสู่ความดีความประเสริฐเลิโลกแต่ไม่สามารถพาเราเดินเราไปได้ ชุดเราไปได้ลาบเราไปได้หรือเสกหรือเปล่าให้เราไปได้เราเท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้ไปเองด้วยการปฏิบัติด้วยการประพฤติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นถ้าไม่เท่านั้นแล้วก็ไม่มีทางที่เราจะดีได้จ ะ, จะเจริญได้ต่อให้เรานั่ง จุดธูเทียนบูชากาบว่าพระพุทธลูก ข, ขอสิ่งต่างๆมากมายเพียงไรก็ตามก็จะไม่ได้สมฤทธิผลเพราะาศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ขอกันของเหล่านี้ขอกันไม่ได้ความสุขความเจริญขอกันไม่ได้ความไม่ทุกความไม่ วุ่นวายใจก็ขอกันไม่ได้ต้องทำกันเองแล้วก็ไม่ยากเย็นอะไรถ้าเรารู้จักวิธีทุกวันนี้ที่เราไม่ค่อยได้พบกับความสุขและการเจริญเท่าที่ควรและยังอยู่ภายใต้อำ น, นาจของความทุกข์ของความวุ่นวายใจอยู่ก็เพราะว่า <c oughs> เราไม่มีความรู้ เราไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพอหรือได้ฟังแล้วแต่ยังไม่สามารถนําไปปฏิบัติได้อาจจะเป็นเทราะว่าไม่เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัตินั้นปฏิบัติอย่างไรหรือเข้าใจแต่ก็ไม่มีกําลังที่จะปฏิบัติตาม ก็มีสิ่งที่คอชุดลากให้เราไปทำในสิ่งตรงกันข้างากับที่พระพุทธเจา้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติ <c oughs> เช่นเรื่องของความเสื่อมทั้งหลายพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงไว้ในอบายมุขห้าประการด้วยกันคือหนึ่งการเสพสลายาเมาสองการเล่นการพนันสามการเที่ยวกลงคืน 4. ี การคบคนชื่อเป็นนิดและห้คาความเกลดความความเกลียดคร้านเหล่นี้ถ้ามีอยู่ในตัวของผู้ใดแล้วจะนำไปสู่ความเสือ่อมความหายนะตามลาดับต่อไปเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมคุณงามความดีไม่ได้ส่งเสริมความศึกและความเจริญผู้ใดที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้ว ชีวิตจะมีแต่จะตักตับหัวลงสัาดึงลงสูอ่อบายในลำดับต่อไปเพราะว่าเมื่อเรากระทาสิ่งเหล่านี้แล้วไม่ช้าเท่เร็วก็จะต้องไปทำผิดศีลผิดธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวที่สร้างรายได้ให้กับเรามีแต่รายจ่ายเกตุลายามลอง เหื่อจะต้องเสียเงินเสียทองเสียเวลาทำมาหากินแล้วเราจะไปเอาเงินทองมาจากที่ไหนเมื่อเราใช้เงินทองไปเรื่อยๆในการเสพสุรายาเมาเมื่อเงินทองหมดแล้วเรายังเลิกเสพสุร า, าไม่ได้เพราะมันติดเป็นนิสัยกลายเป็นสิ่งเสพติดไปบางไหนเคยเสพอยู่เป็นประจำ พองัญห า, หาไม่ได้เสรแล้วก็จะเกิดอาการทุบนทุรายมีอาการจะต้องหามาดื่มให้ได้เมื่อไม่มีเงินทอที่จะไปซื้อมาก็จะต้องไปลักขโมยเงินไปซื้อสุราหรือไม่เช่นนั้นก็ไปลักขโมยสุรามาดื่มเลยนี่เป็นเป็นเรื่องของวอ า, ายยมุตต์ต่างๆเป็นอย่างนั้น ไม่ได้เป็นตัวที่จะสร้างรายได้ให้กับเราเพื่อเราจะได้เอามาใช้กับสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเพราะคนเราทุกคนเกิดมานั้นต้องมีปจัจจัยที่เป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยถ้าไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารรับประทานไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มียารักษาโรคชีวิตของเราก็จะลาบา ก, กลำบนและอาจจะถึงแก่ แก่กรรมไปได้ในเวลาอันไม่ยาวนานเลยดังนั้นเราก็ต้องมีการหารายได้มาการหารายได้นั้นก็ต้องเกิดจากการมีความขยันหมั่นเพียรขยันในเรื่องต้นก็คือขยันศึกษาหาวิชาความรู้ต่างๆเชิ่มต้นที่เราเป็นเด็กเราก็ขยันไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือไปหาความรู้ เรียนให้มากๆเรียนให้สูงสูงเพราะยิ่งเรียนได้มากเรียนได้สูงเท่าไหร่เวลาที่ออกมาทํามาหากินหางานหาการก็จะได้รายได้ดีได้งานที่สบายไม่ต้องมาเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องมาใช้กําลังกายใช้กําลังสติปัญญาความรู้ที่ได้เรียนรู้มาก็จะได้มีรายได้มาก แล้วก็จะสามารถเอารายได้นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตอนอีกต่อหนึ่งคือส่วนหนึ่งก็เอามาดูแลรักษาร่างกายมีอาหารวักชาซื้ออาหารรับะทานซื้อเสื้อผ้ามาใส่ซื้อยารักษาโรควายานดไข้าด้ป่วยซื้อบ้านพักอยู่อาศัยแต่ก็ต้องรู้จักะมาณ คือไม่ควรที่จะใช้เกินฐานะใช้เกินความจำเป็นเพราะว่าถ้าใช้เกินฐานะใช้เกินความจำเป็นก็จะเป็นการความฟุ่มเฟือยและความฟุ่มเฟือยนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะดูดซักเงินทองที่หามาด้วยความยากลำบากให้หมดไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะฉุดพราชให้เรา ต้องไปทำในสิ่งที่เสียหายต่อไปเวลาที่เราจะใช้เงินใช้ทองก็ต้องรู้จักประมาณคือหนึ่งเราต้องรู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ทานค่าเงเรามีเท่าไหร่เราไม่ควรที่จะใช้เกินรายรายรับรายรับของเรานอกจากต้องต้องมาใช้ในงาน เรื่องเกี่ยวกับปัจจยัยสี่แล้วเรายังต้องแบ่งไว้อีกสองส่วนด้วยกันอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องแบ่งเก็บไว้เผื่อในวันข้างหน้าเวลาที่เราเกิดไข้ได้ป่วยไม่สามารถทํามาหากินหาหารายได้ได้เราก็จะต้องอาศัยเงินส่วนนี้ไว้ดูแลเราและอีกส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไว้เพื่อทําบุญทําประโยชน์ เพราะชีวิตของเรานั้นไม่ได้จบเพียงแค่ชาตินี้เท่านั้นชีวิตของเรายังจะต้องดําเนินต่อไปหลังจากที่เราตายไปแล้วใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะต้องไปเกิดต่อไปจะเกิดถึงเกิดต่ำก็อยู่ที่การกระทำของเราในปัจจบุบันนี้ว่าเราทําบาปหรือทําบุญ ถ้าเราทำบาปเราก็ต้องไปเกิดที่ต่าถ้าเราทำบุญเราก็ได้ไปเกิดที่สูงมีฐานะที่ดีกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิมมีเงินทองมากมายกว่าเดิมมีสติปัญญาฉลาดรู้มากกว่าเดิมตอนนี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้ว ถ้าเราทำในสิ่งที่ดีที่งามเช่นเราอยากจะมีทรัพย์มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเราก็ต้องทำบุญให้ทาน ม, มีเงินทองอย่าหวงอย่าเก็บไว้อย่าเอาไปใช้กับของที่ไม่เกิดประโยชน์เช่นเอาไปดื่มสุรายาเมาเอาไปเล่นการพนันเอาไปเที่ยวกลางคืนไม่เกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ในปัจจุบันก็จะมีแต่ดูดทรัพย์สมบัติเงินทองที่มีอยู่ให้หดหายไปแล้วก็จะส่งให้เราต้องไปทาบาปทํากรรมต่อไปในอนาคตก็จะไม่ได้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเหมือนเดิมรอเราอยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเราเองินสื่อนที่เราเก็บไว เพื่อทำบุญนี้มาช่วยเหลือผู้อื่นมาสงเคราะห์ผู้อื่นเราก็เหมือนกับเราเอาเงินนี้ไปฝากไว้ในธนาคารบุญเป็นธนาคารที่จะให้เราเบิกได้ในครบหน้าชาติหน้าพอเราไปเกิดทบหน้าชาติหน้าเราก็จะมีมีเงินดูทองรอเราอยู่ไปเกิดบงินกองเงินกองทอง แล้วก็มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเดิมกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นี่เณ็นานุสง์ของการทาบุญให้ทานไม่ว่าเราจะให้ด้วยเงนินด้วยทองก็ดีให้อย่างด้วยอย่างอื่นก็ดีให้กําลังจิตกําลังใจช่วยเหลือผู้อื่นให้มีกําลังจิตกําลังใจต่อสู้ให้ธรรมะ เพื่อให้ผู้อื่นได้ดลุดพ้นจากความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจให้วิทยาความรู้เหล่านี้เรียกว่าเป็นการให้ทั้งสิ้นเป็นเรียกว่าทานคําว่าทานนี้แปลว่าให้ไม่ได้หมายความว่าเวลาให้กับคารวะจีนเรียกว่าทานให้กับพระจีเ่เรียกว่าบุญนี้ไม่ใช่เป็นธรรมะความหมายของคําว่าทานทานนี้แปลว่าให้ ไม่ว่าจะให้กับพระหรือให้กับคารวะก็ประ็นก็เป็นทานเหมือนกันแต่คําว่าบุญนี้หมายถึงผลที่เกิดจากการให้เมื่อเราให้แล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็คือบุญบุญคือความสุกใจไม่ว่าจะให้กับพระกดีให้กับคารวะก็ดีผลก็เป็นบุญเหมือนกันเพียงแต่ว่าอ น, นิสง อาจจะมีมากน้อยต่างกันไปให้กับคารวะ ก, กับให้กับพระ <c oughs> ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นมีไม่เท่ากัน <c oughs> ให้กับคนธรรมดาประโยชน์ก็เกิดน้อยกว่าให้กับคนดีเพราะคนดีย่อมทำประโยชน์มากกว่าคนที่ไม่ดีนั่นเองคนไม่ดีนอกจากไม่ทาประโยชน์แล้วยังทา โทษสรางความวุดนวายให้กับผู้อื่นอีกเป่นคนเสพสุราอย่างเมากับคนไม่เสพสุราอยาเมาลองเปรียบเทียบ ก, กันดูเราให้เงินคนสองคนนี้ไปคนหนึ่งก็จะเสพสุร า, า, าดื่มแล้วก็เกิดอาการหลนเมาแล้วก็ออกไปอลาวา่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวช่องแต่ให้กับคนดีที่มีความขยันชอบ ทำงานทำการชอบทำความสะอาดเวลาเขามีเวลาว่างเขาเห็นสถานที่ใดสกรปรกเขาก็จะทำความสะอาดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะเป็นบ้านของเขาหรือไม่ก็ตามถ้าเป็นคนรักสะอาดรักความสะอาดชอบทำความสะอาดเขาก็จะทำความสะอาดของเขาอยู่เรื่อยๆนี่คือความแตกต่างกันระหว่างการให้ระหว่างคนสองคน คนดีกับคนไม่ดีคือนอกจากเป็นดีแล้วยังมีประโยชน์เพิ่มขึ้นมาต่างกันมีประโยชน์หรือมีโทษช่วยคนไม่ดีก็ไปช่วยให้เขาไปสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเช่นเวลาเราช่วยพวกโจรผู้ร้า ย, ยานี่เป็นตน้นเวลาตำรวจตามจับแล้วเราช่วยให้เขาพ้นจากการถูกจับ แต่พอเราเผลอรู้ไม่ดีเขาก็ฆ่าเราเสียเพราะเราไปช่วยคนที่เป็นพิษเป็นภัยนั่นเองเหมือนกับช่วยงูอสรพิษงูพิษถ้าเราไม่ระวังงูพิษก็จะกัดเราได้ <c oughs> ดังนั้นการให้หรือการช่วยเหลือผู้อื่นจึงมีความแตกต่างกันในในฐานะของแต่ละคน ถ้าช่วยคนดีแล้วประโยชน์สุขก็จะเกิดตามามากเช่นพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าถ้าช่วยคนธรรมดานี้จะได้ไประโยชน์หนึ่งเท่าถ้าช่วยนักบวชฆ่าภิสูจจะได้ไประโยชน์สิบเท่าถ้าช่วยพระอริยเจ้าคือพระเสด็ดาวนก็จะได้ร้อยเท่าพระสกิรยาธรรมีก็ได้พันเท่า พระอนาคามีก็ได้หมื่นเท่าพระอารหันต์ก็ได้แสนเท่าพระปเจกพรพุทธเจ้าก็ได้ล้านเท่าส่วนพระอารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อได้เป็นร้อยเป็นพันล้านเท่านี่คือความแตกต่างของมนุษย์คือความสามารถที่จะทําประโยชน์ให้กับโลกได้ ไม่มีใครจะทำประโยชน์ได้มากเท่ากับพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ที่ได้ตัดเชื้แล้วด้วยตนเองแล้วประกาศก็ทำคําสอนให้แก่สผ่นโลกเช่นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราที่เรากราบไหว้กันอยู่นี้พระ อ, องค์เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหลังจากที่ได้รง ปฏิบัติธรรมจนตัดสรูปเห็นธรรมแล้วก็ไม่ได้เก็บธรรมนั้นไว้เฉยๆไม่ได้เก็บไว้เฉยๆก็เก็บไว้เฉยๆก็จะเป็นภาพปฏิเจกับพุทธเจ้าเพระพุทธเจ้านี่มีอยู่สองชนิดด้วยกันภาพปฏิเจตกับพุทธเจ้านี้หลังจากที่ตัดสรุปรำแล้วไม่ประกาศสอนผู้อื่นไม่สอนเรื่องมรรคผลนิพพานไม่สอนเรื่องบาป บ, บุญคุณโทษ ไม่สอนเรื่องนรกสวรรค์ไม่สอนเรื่องเรือนว่าตายเกิดพระองค์ทรงอยู่เฉยๆเงียบๆไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่จะฟังนั้นไม่มีก็ได้ถ้าไปอยู่ในยุคมืดในยุคที่คนมีแต่ความมืดบอดมีแต่ความหลงในการแสวงหาความสุขทาง รู้สี่อหูกลิ่ลรสผดทัะในการแสดงห า, าราดยศสลรเสริญคนเหล่านี้มักจะไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณเทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าไปเจอกับพุทธเจ้าก็เห็นว่าสอนไปก็ไร้ประโยชน์เสียเวลาด็งนั้นไม่สอนไ ม, ไม่สั่งไม่สอนพระพุทธเจ้าของเรา หลังจากที่ทรงตัดสู้ใหม่ๆก็มีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันมีความรู้สึกว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงได้ตัดสู้นั้นเป็นสิ่งที่ยากมากสําหรับมนุษย์ทั่วๆไปจะชุ่ชมชนยินดีได้ไม่ไม่ทราบว่าเขาจะปฏิบัติตามได้หรือไม่เพราะสอนให้สอนสอนในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความอยากความปรารถนาของมนุษย์ ม น, นุสของเราพเราทุกคนนั้นเกิดมาก็มีความปรารถนาอยากจะร่ำรวยอยากจะมีตมาแหน่งมีฐานะสูงส่งอยากจะมีบริสัท์บริวารมีคนรักเสริมเยินย้อนยกย่อ ม, ม, ม, ม, ม, ม, มนับหน้านับถือคารวบูชาทั้งนั้นไม่มีใครอยากที่จะเป็นคนยากจนเป็นคนส่ำต้อย ไม่มีใครยกย่องสรรเสริญยอมยอมและไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียง ก, ยกยล็ดล้นโผฏฐะต่างๆที่ผ่านมาทางตาหูจมูกรื่นกายแล้วเข้าไปสู่ใจสิ่งนี้นเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนั้นมีความปรารถนากันข้างนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วมาสอนให้เราไม่แสวงหาสิ่งเหล่า น, นี้กลับให้เราแสวงหาความดีงามด้วยการเสียสละมีเงินมีทองแทนที่จะเอาไปซื้อข้าวซื้อของมาใช้นากินมหาให้ความสุขกับตนก็ให้เอาเงินทองนี้ไปแจกไปจ่ายไปสงเคราะห์ไปช่วยเหลือผู้อื่น มันก็จะเป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนทั่วไปจะทำได้น เ, น, เ น, น, นืษษ่องจากพระองค์ก็ทรงมีทางรู้สึกเฉพาแท้ไม่อยากที่จะมาสั่งสอนแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีเท่ามหาเรนได้มาอราธนาขอให้พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกขอให้พิจารนาว่าสัตว์โลกนั้นก็มีอยู่หลายระดับด้วยกัน เป็นเหมือนกับบัวสีเหลาพวกคนที่เป็นคนดีก็มีมีมากๆ ก, ก็มีมีปานกลางก็มีดีน้อยก็มีและไม่ดีก็มีก็แบ่งเป็นสีเหล่าด้วยกันดังนั้นจึง อ, อยากจะให้พระพุทธเจ้าทรงช่วยคนที่เป็นคนดีคนที่ชอบความดุนคาทานคนที่ชอบรักษาศีลคนที่ชอบไหว้พระสวดมน ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิยังมีอยู่เมื่อเป็นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ขอดพระไถยไม่แล้วก็ส่งกัดสินพระไทยที่จะประกาศสอนพระศาสนาจึงได้ประกาศสั่งสอนพระศาสนาแก่สัตว์โลกในเบื้องต้นก็นุ่งไปสู่พวกที่เก่งพวกที่ดีที่สุดก่อนคือพวกนักบวชทั้งหลายเช่พนพระปัญจวคีร์ทั้งห้า ที่เป็นนักบวชที่เคยติดตามพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็สั่งสอนนักบวชในรัฐที่อื่นๆก็ปรากฏมีอผู้ที่สามารถนำเอาไปปฏิบัติและบรรลุเป็นพระอราหันต์ได้เป็นจํานวนมากๆและหลังจากนั้นก็ได้ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนมาอยู่เรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ ศาสนาของเราจริงอยู่มาได้จนถึงเุกวันนี้เพราะ อ, อํานาจความสามารถของพระพุทธเจ้าท่านพระ อ, องค์เดียวนี้ทงนั้นเองถ้าพระ อ, องค์ตัดสินพระทยัยไม่ประากาศสอนศาสนาแล้ว mm hmm. ก็จะไม่มีพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกในขณะนี้ได้เลยนี่คือความสามารถของคนคนเดียวที่สามารถช่วยเหลือ จัดโลกเพื่อนมนุษย์ให้ได้พ้นทุกข์เป็นจานวนมากม า, าย่ยกองจากนั้นการที่เราเลือกทำบุญกับบุคคลนั้นจึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่เสียหายตรงไหนเพราะเราต้องเริ่มที่ประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการที่เราได้ทำบุญให้ทานกับบุคคลนั้นนั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เรารา้ความเมตตากปลงีถ้าเราเห็นคนที่เขาเดือดร้อนจรนิงๆเช่นไม่มีอาหารรับประทานไม่มียารักษาโรคยางเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้เขาจะเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนเลวระการเราก็ยังต้องให้ความช่วยเหลือกับเขาเพราะเป็นหลักของมนุษยธรรม เชิ่มตำรวจเวลาที่ไปจับผู้ร้ายแล้วเกิดการต่อสู้กันแล้วยิงผู้ร้ายบาดเจ็บตำรวจก็ยังต้องเอาผู้ร้ายนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อนให้เขาหายดีเสียก่อนแล้วจึงค่อยจับไปลงโทษต่อไปดังนั้นเรื่องการช่วยเหลือกันในเรื่องดักของความจาเป็นคือเรื่องในปัจจัยสีน่นี้ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดี ยือแม้แต่เบลาฐานเราก็ยังต้องช่วยเหลือกันเราเห็นคุณเม่เขาไม่มีอาหารประทานมาขออ า, ายเราอยู่เราก็ไม่ควรที่จะขับไล่สายส่งมีอะไรก็พอที่จะเลี้ยงเขาได้กะเลี้องเขาไปเขาจะขออ า, ายอยู่าชาติกลางชายชาวบ้านของเราเพื่อปล่อยให้เขาอยู่ไปอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกัน เบลนี้คือความสุขใจแต่ประโยชน์สุดที่จะเกิดจากสุนัขนั้นก็อาจจะไม่ได้มากเท่ากับมนุษย์แต่สุนัขบางตัวก็ยังดีกับมนุษย์บางคนมนุษย์สุนัขบางตัวมันยังช่วยเห่าช่วยเฝ้าบ้านให้กับเราแต่คนบางคนแทนที่จะเฝ้าบ้านให้กับเราสับขมข้าวของของเราออกไปจากบ้านช่องจนหมดก็มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะช่วยเหลือใครสงเคราะห์ใคร เราก็ต้องรู้จักเลือกเลือกคนดีคนที่เขาจะทำคุณทำประโยชน์ให้กับเราและให้กับสังคมและให้กับตัวเขาเองแต่ถ้าเราไปช่วยคนที่ไม่ดีก็จะช่วยให้เขาสร้างสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับเราให้กับผู้อื่นและให้กับตัวเขาเอง นี่คือความหมายของคำว่าการให้ทานการให้ให้แล้วก็เป็นบุญคือจิตใจเรามีความสุขไม่ว่าเราจะให้ใครก็ตามบุญนี้เท่ากันคือความสุขใจนี้มีความสุขเท่ากันเราให้สุนักเราก็มีความสุขเราให้มนุษย์เราก็มีความสุขเราให้พระเราก็มีความสุขความสุขเหล่านี้ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นเนื้อหน้าหารของจิตใจทําให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความภูมิใจในตัวเราความสุขนี้รด่นนี้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะทํากับใครนแต่อาจจะมีมากหรือน้อยต่างกันขึ้นอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจถ้าเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจร้อยเปอคือไม่ได้หวังผลตอบแทนจากคู่รักเลย เราก็จะได้ความสุขร้อเป็นได้เป็นที่ถ้าเราทำแล้วเรายังมีความปรารถนาที่อยากจะให้ผู้รับนั้นเขาทาอะไรให้กับเราเช่นให้เขายกมือไหว้เราหรือให้เขาพูดคำว่าขอบใจหรือให้เขาทำสิ่งหมือสิ่งใดให้กับเราถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเขาไม่ทำตามที่เราต้องการเราก็จะไม่เกิดความสุขใจ ได้จะเกิดความเสียใจยแทนอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นการทำบุญนเพราะว่าการทำบุญแล้วต้องไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับเลยแม้แต่น้อยนิดหรือจากผู้อื่นก็ดีเร้นงการทำบุญปิดทองหลังพระอย่างนี้เป็นต้นไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเขารู้ว่าเราได้ทำบุญเราได้ขวายเงินเท่านั้นเท่านี้ได้สร้างกุติหลังนั้นหลังนี้ ได้สร้างแทงน้ำแทงแงนั้นแ ท, ง, ทง น, น, ทงนี้ไม่จําเป็นจะต้องไปเขียนชื่อติดไว้ประกาศให้คนอื่นเขารู้พราะเวลาที่เราอยากจะให้คนอื่นเขารู้นี่มันก็สแสดงว่ามันไม่บริสุทธ้อยเปอร์เซ็นแล้วถ้าเกิดชื่อที่เราเขียนไว้เกินมันมันจางไปเวลาเรามาเห็นเราก็ยิ่ไม่มีความสุขใจแล้วอยากจะให้ชื่อของเรา ปรากฏขึ้นมาใหม่เราก็ต้องไปหาคนมาเขียนชื่อขึ้นมาใหม่อีกแต่ถ้าเราทําด้วยความวอนสุดใจไม่สนใจว่าใครจะรู้หรือไม่ก็ตามเราจะมีความศึกเสมอทุกครั้งเวลาเราคิดถึงหรือมองเห็นสิ่งที่เราได้ทําไว้ที่เราเคยสร้างกุฏิไว้เวลาเราผ่านมามองเห็นกุฏินั้นเราก็จะมีความรู้สึกมีความสุขใจ คนอื่นเขาจะไม่รู้ก็ไม่ใช่ เ, เ, เรื่องสำคัญอะไรเพราะเรารู้อยู่แก่ใจของเราว่าเราได้ทำความดีไยวนี่คือความหมายของการทำบุญให้ทานมันเองทางเป็นการกระทาเป็นเหตุส่วนบุญนั้นเป็นผลที่จะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราส่วนประโยชน์สุกนั้นเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากบุคคลที่เราได้ ช่เหลือเขาเราได้ช่วยเหลือคนดีเขาก็จะไปทำความดีต่อไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมสร้างความร่มเยองเป็นสุขให้เกิดขึ้นในสังคมแล้วความร่มเย็งเป็นสุขนั้นก็จะย้อนกลับมาหาเราอีกทีหนึ่งถ้าเราทำกับคนไม่ดีเขาก็ไปสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายนั้นมันก็กลับมาหาเราอีกทีหนึ่ง นี่คือเรื่องของการทำบุญและบุคคลที่เราจะทำด้วยว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรต่เป็นสิ่งที่เราควรที่จะกระทำกันอยู่เสมอเพราะว่าเมื่อเราทำแล้วจะทําให้จิตใจของเรามีความเยืองเงยเยินเป็นสุิจะทําให้จิตใจของเราจเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงเพราะเมื่อตายไปแล้ว เราก็จะได้มีสิ่งที่ดีที่งามรอเราอยู่อังที่ได้พูดไว้ว่าจะมีเงินทองรอเราอยู่ข้างหน้าจะมีรูปหน้าตาที่สวยงามกว่าเดิมแต่ถ้าเราอยากจะเกิดเป็นมนุษย์เราก็ยังต้องทำบุญอีกระดับหนึ่งคือการรักษาสีห้าเพราะถ้าเราทำบุญให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่รักษาสีห้าเวลาเราไปเกิดข้างหน้า ถึงแม้เราจะไปเกิดเป็นกองเป็นกองทองไปเกิดมีรูปร่างหน้าตาสวยงามแต่จะไม่ได้รูปร่างของมนุษย์เช่นไปเกิดเป็นหมาสวยสวยนัขที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามก็มีคนมีเงนินมีทองซื้อเอาไปเลี้ยงก็อยู่อย่างสุขสบายอยู่เหมือนลูกเศรษฐีเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นมนุษย์เพรไม่ได้รักษาศีลห้าไว้ก็ต้องไปเกิดเป็นสุนัข แต่ถ้าอยากจะเกิดเป็นลูกของมนุษย์เป็นลูกของเศรษฐีมีรูปร่างหน้าตาสวยงามก็ต้องรักษาถี่นท่าไปด้วยคือต้องละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพยละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดโพสเทสละเว้นจากการเสพสุรายาเมาเพราะถิ่เป็นเหตุที่จะพาให้เราได้จะเกิดเป็นมนุษย์และเป็น เทศเป็นโธมตามลำดับต่อไปถ้าอยากจะเป็นเทศเราก็ต้องทำบุญให้มากยิ่งขึ้นกว่านั้นคือต้องมีฮิริโอตปาต้องรู้จากไหว้พระเสวนเงินทำจิตใจให้สงบนั่งทาสมาธิเราก็จะได้กเกิดเกิดเป็นเทศเป็นโมถ้าเราอยากจะเป็นพระอริยเจ้าอยากจะบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกิาทาคารี ถ้าอนาค า, ามีพระอรหันต์เราก็ต้องทําบุญเพิ่มขึ้นไปท่านเรียกว่าภาวนาต้องนั่งสมาธิและเจริญปัญญานั่งสมาธิก็คือทานทําจิตใจให้สงบด้วยการไหวพระสวดมนต์ไปเรื่อยๆไม่ให้ไปคิดเรื่องอะไรทําจิตใจให้อยู่กับการสวดมนต์หรือจะบริการพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆก็ได้ อยากไปคิดเรื่องอะไรให้จิตอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วจิตจะจะสงบตัวลงไปเมื่อจิตสงบตัวลงแล้วก็จะมีความสุขความเย็นความสบายความคิดต่างๆก็จะหายไปชั่วคราวในขณะนั้นเหมือนกับไม่มีอะไรอยู่ในโลกนี้มีแต่จิตอยู่ตามลำพังของมันไม่รื่นวายเมื่อกังวลกับเรื่อ ง, านน ร, องราวต่างๆ มี่เป็นความสุดที่จะได้รับจากการทำสมาธิแล้วถ้าเจริญปัญญาลงอานิจังทุกขังอนัตตาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย้อมยุการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปป็นธรรมดาไม่มีอะไรอยู่ไปตลอดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของพืชก็ดีเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องคัดค่าแสกัน ถ้าเราตรงอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะไม่ยึดไม่ไม่ติดใจจะปล่อยวางจะไม่เวลาเวลาเกิดการพัดผ้าแากกันก็จะไม่รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจไม่เจ้าโศกกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะใจไม่ได้ยึดไม่ได้ติดย้ใจได้เตียงตัวเตียใจกัแล้วเหมือนกับว่าเหมือนกับเรื่องว่ า, ม, วามันจะเกิดขึ้น ถ้าเราเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์แล้วมันก็จะไม่ทำให้ใจของเราหวาดหวาไม่ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่รู้จักเตรนมวินิจฉัยทุกขรรมนัตาไม่คอยเตรียมตัวเราอยู่เรื่อยๆว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่เรารักก็ต้องจากเราไปคนที่เรารักก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเป็นธรรมดาไม่ช้าก็ อยู่ที่ว่าใครจะไปก่อนใครเท่านั้นเองแต่เรื่องการจากไปนี้เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราทําความเข้าใจแล้วใจของเราจะได้เตรียมตัวเตืียใจไว้เพราะใจของเรานั้น <c oughs> ไม่ได้จากไปกับสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสิ่งต่างๆนั้นเองใจของเราเป็นเพียงมาคร <c oughs> อบครองไว้เท่านั้นเองเช่นร่างกายของเรานี้วกับใจก็เป็นคนละส่วนกัน ร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งใจก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถยนต์รถยนต์ก็เป็นรถส่วนหนึ่งคนขับรถก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเวลารถยนต์เสียรถยนต์รยนต์พังไปคนขับรถก็ไม่ได้เสียไม่ได้ทําไปกับรถยนต์คนขับรถก็ไปหารถยนต์คันใหม่ต่อได้ใจของเราก็เป็นอย่างนั้นเวลาที่ร่างกายของเราแตกดับไปใจของเราก็ไปหา ร่างใหม่ต่อไปหรือเวลาภรรยาของเราลูกสามีของเราตายไปเราก็ไปหาภรรยาใหม่หาสามีใหม่ได้เวลาลูกเราตายไปเราก็มีลูกใหม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปตื่นเต้นหวาดกลั อ, อะไรถ้าเราโตมานิจังทุกข์ของม น, นินย์อนัตตาเรื่อยๆสอนใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราก็จะ <c oughs> <c oughs> ไม่ยึดไม่ติด จะอยู่อย่างร่มงเยง็นเป็นสุขไม่กังวลไม่หวาดกลัวกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นใจเราก็จะบรรลุเป็นพระอรหันเจ้าเป็นพระเสด็จดานบ้างเป็นพระกิพระสกิณาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างและพระอาหารหันต์บ้างขึ้นอยู่ว่าเราจะปรงได้มากน้อยเพียงไรเราจะตัดได้มากน้อยเพียงไรถ้าตัดได้หมดแล้วเราก็จะได้บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ ก็ไม่ต้องไปเวรว่าดการเกิด อ, อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการบําเพ็ญจากการปฏิบัติการพระทานคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่สามารถเผยเปล่าให้เราเป็นได้แต่พวกเราสามารถเผยเปล่าให้ตัวเราเป็นได้ด้วยการปฏิบัติการาพระพุทธเจ้าน้อต้นตั้งแต่การทาบุญให้ทานการรักษาศีล การภาวนานั่งสมาธิไหวพระสวนมนยาแการเจริญปัญญาตรองอนิจจทุกขังษษของนัตตาอยู่เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าความสุขและความเจริญเพื่อจะเป็นผลที่จะตามมาตาลรลงดับต่อไปอย่างแน่านอนจึงขอฝากเรื่องของการประพุติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนอย่างสม่าเสมออย่างพยัน ไม่ท้อแท้ไม่ไม่ไม่หยุดยัง้งให้ท่านนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สึกที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอผสนุนบุญที่ท่านได้มากระทำกันมในรันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัดใจและท่านมีแต่ความสุกความเจริญด้วยอายุวนะัทธะสุขภาระ เดือดเ่าน่ากันเธอ